มันก็มีใครจะถามเลยไหมเนี่ยแสดงทําได้เนาะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจงพูดอย่างที่เรารู้ตัวอย่างที่เรายังไม่ถึงหรืออะไรในกลุ่มเราไม่ไม่มีคําว่าตัดสินว่าผูรือผิดเนาะเพียงเล่าประสบการณ์ทางธรรมแค่นั้นเองไม่ใช่มาจับผิดอเราพูดมาเพียงแค่ฟังแล้วก็ผ่านมันไปแค่นั้นเองเนอะอยา่างพวกเรามาแสดงศักยภาพของความ ประสบการณ์ของความจริงความจริงคนนี้ก็อย่างนึงความจริงคนนี้ก็อย่างนึงสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่เป็นมายาทั้งหมดแต่เรามาคุยกันเพื่อจะแลกแลกมุมมองทัศนคติเพื่อเป็นการพัฒนาของประโยชน์เราประโยชน์ท่านแค่นั้นเองมายากลที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรอ่ะถามเนี่ยมายากลจากภายนอกกับมายากลจากตัวเราเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากันเนี่ยตอบไม่รึพวกเราเราอันนี้ถามง่ายๆเลยเนาะค่ะ จริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในย่ะมันก็เป็นมายาหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราเองต่างหากที่ที่เราจะมองว่ามันเอ่อเอ่อถ้าผามว่าภายนอกมายาภายนอกนะคะก็เราก็สามารถรู้เห็นได้นะคะแต่วามายาภายในเนี่ยค่ะผู้อื่นอาจจะไม่รู้เห็นนะคะมีแต่ตัวเราเนี่ยค่ะที่รู้เห็นแต่ว่าเราจะรู้เห็นทันมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะก็ อยากให้ทุกท่านลองมาพูดคุยกันนะคะแต่จริงๆเงีเยบๆก็ดีนะคะหนูนิชอบค่ะจริงๆก็เนาะรู้สิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็โอเคสม<ะ>บูรณ์ขึ้นก็คือในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้<ะ>ทีนี้อันเนี้ยมันจริงๆอะคือมันถูกต้องที่สุดแล้วแหละรู้ในปัจจุบันขนาดเนี่ยนะแต่ปัญหาอันนี้หลวงพ่อมองจากปัญหาของตัวเองก่อนว่า เริ่มแรกเนี่ยที่เริ่มฝึกสตินะเริ่มปฏิบัติธรรมในขั้นก็เรียกว่าไอ้กรรมฐานเนี่ยเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกว่าไอ้สิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จักจนกว่าจะได้ยินได้ฟังก่อนว่าอะไรที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะจะต้องยกตัวอย่างให้เห็นก่อนนะเมื่อได้ยินได้ฟังมีการยกตัวอย่างแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเกิดการรู้จักขึ้นมาเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยต่อมาพอสิ่งเนี้ย ปรากฏขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการระลึกได้ขึ้นมาว่าเอา้าสิ่งนี้กําลังปรากฏหลวงพ่อยกตัวอย่างก็คือเริ่มต้นที่หลวงพ่อไปฝึกสติตามแนวหลวงพ่อเทียนนี่ยนะครูบาอาจารย์เนี่ยก็หลายท่านท่านก็บอกว่าให้ฝึกไปเถอะทําไปเดี๋ยวก็รู้เองนะทำไปเถอะทําไปเถอะเดี๋ยวมันก็รู้เองไอ้คาว่ารู้เองตรงเนี้คือคนที่รู้แล้วมันก็ง่ายใช่ไหมแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยว่า คือมันจะมีคำถามมากมายว่าแล้วรู้อะไรที่ว่ารู้เองอะรู้อะไรเราไม่เข้าใจตรงนั้นไงทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้าก็รู้กายรู้ใจไงโอเคก็เหมือนกับว่าขยายผลมาหน่อยหนึ่งรู้กายรู้ใจแต่มันก็ยังไม่สิ้นกระบวนการของความสงสัยจึงมีการถามต่อไปว่าแต่คำว่ารู้กายเนี่ยรู้อะไรรู้ยังไงอาจารย์ก็บอกนี่ไงกายไหวรู้ไหมอะกายรู้สึกเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ไหมอ่านี้เท่ากับว่าอาจารย์ กำลังชี้บอกสภาวะซึ่งเป็นสมมุติเนี่ยเขาเรียกว่าเอาสมมติมานำหน้าเป็นการชี้บอกว่ารู้กายรู้อะไรก็กายมันมีกายเช่นมันมีแล้วมันทำอะไรกำลังทำอะไรกำลังเดินก็หัดรู้อ่าเราก็รู้จักกายนั่งเนี่ยตอนนี้กายนั่งรู้ไหมเราก็บอกเออรู้เนี่ยเท่ากับว่าต้องขยายให้ดูหน่อยว่าคำว่ารู้สิ่งที่กาลังปรากฏอ่ะมันรู้อะไรเพราะฉะนั้น จริงๆไอ้ตรงเนี้มันจะต้องฟังเยอะๆก่อนเยอะๆก่อน mm. เหมือนกับว่าบางท่านเนี่ยท่านก็เฉลยให้นะว่าต้องรู้อะไรแต่บางท่านเนี่ยเหมือนกับว่าอย่างสมัยรุ่นหลวงพ่อนะท่านบอกว่าทําไปเถอะรู้เองรู้เองแต่เหมือนกับว่าแรกๆอ่ะไม่มีใครบอกไม่มีใครขยายแต่เพียงบอกว่ายกมือไปเถอะเดี๋ยวมันก็จะรู้เอง mm. ตรงนี้แหละมันเป็นจุดตันแต่ว่าทําให้เกิดข้อสงสัย mm. ทีนี้หลวงพ่อมีโดนทดสอบอยู่ครั้งหนึ่งอา mm. จารย์ก็บอกว่าเอ้า นะเธอไปเดินเนี่ยเดินจงกรมเดินไปเดินมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาบอกว่ารู้อะไรบ้างอหลวงพ่อก็ไปเดินมาเดินไปเดินมาอ้าครึ่งชั่วโมงอาจารย์ถามว่ารู้อะไรมัางหลวงพ่อพูดจกักจากความรู้ของตัวเองเลยนะบอกว่าไม่เห็นรู้อะไรเลยอาจารย์ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่ามันมันง่วงอะ่ะแล้วบางทีมันก็เมื่อยเมื่อเนาะมันเจ็บมันปวดอะมันร้อนพวกว่าวูบว่าแต่ผมไม่รู้อะไรเลย อาจารย์ก็ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มตรงนี้แหละต่อมาภายหลังหลวงพ่อจึงรู้ว่าบางทีเนี่ยรู้แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่รู้จักเห็นไหมเช่นหลวงพ่อใช้คําว่าไม่รู้อะไรแต่บอกว่าเห็นมันปวดเห็นมันเจ็บเห็นมันเมื่อยเห็นมันล่วงนอนนี่ไงรู้แล้วรู้อะไรเขาเรียกว่ารูต้ต่อสิ่งถูกรู้รู้ต่อสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะปัจจุบันนั้นๆแต่ด้วยสติปัญญาเราไม่รู้จักไง ตัวเราเนี่ยมันไม่มีปัญญาพอที่จะรู้จักว่าอ๋อไอสาภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในขณะปัจจุบันนั้นนั่นแหละเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไวปวดเมื่ อ, อยว่องนอนอะไรนั่นน่ะนั่นแหละมันเป็นสาภาพธรรมที่กําลังปรากฏพอเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็เริ่มจับทางได้แล้วว่าอ๋อไอรู้ที่สิ่งที่กําลังปรากฏอคำว่ารู้ตัวก็สิ่งเหล่าเนี้ยมันเกิดอยู่ในตัวใช่ไหมมันเกิดในกาย แล้วก็ถ้ารู้ตัวมีสติมันก็ต้องรับรู้รับทราบมันต้องมีการพบเห็นสิ่งเหล่านี้อ่าก็เริ่มพบเห็นแต่มันก็สงสัยอีกแล้วรู้จิตรู้ยังไงอีกอา้าวมันก็ไม่เข้าใจทั้งทง ท, งที่ปัจจุบันนะสมมุติว่าเราไม่รู้เราไม่เคยได้ยับเอ่อได้รับการขยายความว่าคำว่ารู้จิตเนี่ยรู้อะไรบ้างต่อให้เราเพียรปฏิบัติขนาดไหนนะถ้าเรายังไม่รู้จักคือเหมือนกับว่าไม่มีคนมาบอกว่าสภาวธรรมเนี่ยที่เรียกว่าจิตอ่ะ หรืออาการของจิตมันเป็นยังไงอ่ะต่อให้สิ่งนั้นน่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อหน้าต่อตาก็ไม่รู้จักอยู่ดีเพราะว่าไม่มีคนยกตัวอย่างให้รู้จักอแต่ถ้ามีคนมายกตัวอย่างว่าเช่นรู้จิตนะท่านบอกว่าก็รู้อาการของจิตอะเวลามันมีโทสะเวลามันโกรธเวลามันมีโมโหอ่ะก็รู้ไปสิอะอย่างวิ้เรารู้จักนี่ถ้าคําว่าโมโหคําว่าโกรธเรารู้จักใช่ไหมเพราะมันเป็นภาษาพื้นบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเวลาโมโหปั๊บอ้ามันรู้แล้วอย่างเงี้ยหรือว่ารู้ ทำมาลมต่างๆทำมารมหรือว่าพวกนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมเช่นพวกความง่วงเหงาๆนอนความรังเลวิกิจิกิจฉาความสงสยัยความพยาบาทอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเอาคำสมมุติมาบอกสภาวะธรรมก่อนจึงรู้จักเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดสติระลึกรู้ได้ว่าอ้าสิ่งนั้นกำลังปรากฏแต่บางทีเมื่อต่อมา เ, เมื่อเรียนเราเราเรียนธรรมะเยอะๆเนี่ย บางครั้งเราไม่รู้จักเราว่าสภาวะธรรมอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่เราจับได้ว่าเหมือนกับจับทางได้ว่าอ๋อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแต่เราเรียกไม่ถูกเช่นนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยสมุทรยอดมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเนาะหมอก็ถามเป็นอะไรมาเราก็บอกว่าเนี่ยมันปวดท้องมันปวดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พอ อธิบายให้มันละเอียดมากกว่านั้นะจนกระทั่งว่ามันหมดภาษาที่จะเรียกบอกคุณหมอว่าเนี่ยเนี่ยผมบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่มันมีอยู่ในท้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยก็เรียกว่าสภาวะธรรมมันมีอยู่แต่เราอะสมมุติบัญญัติเรียกไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรเราก็เลยเรียกมั่วๆไปว่าเนี่ยผมบอกไม่ถูกแล้วว่ามันเป็นยังไงมันแต่มันมันมีอยู่เอาเป็นว่าที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นการขยายให้ญาติโยมได้ฟังว่า ไอ้คาว่าอรู้นะรู้สิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันน่ะแรกๆกก็เหมือนหลวงพ่อคือไม่รู้จักสภาวธรรมต่อมาก็มีการฟังด้วยมีหรือบางทีเราสงสัยอะไรเราก็ถามเขาถามผู้รู้ถามอะไรให้เขาบอกบอกเวลาการบอกเขาก็ต้องบอกเป็นสมมตินั่นแหละเป็นสมมติสัจจาเนาะแต่ว่าสภาวธรรมมันก็รองรับอยู่แล้วก็หัดรู้หัดเห็นหัดเข้าใจแล้วพอต่อมามันก็อะไรเกิดขึ้นเนาะ มันก็จะรู้จักว่านี่สภาวะเกิดและเกิดและเกิดแล้วแต่ทีนี้มันก็มีสภาวะอีกมากมายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนต่อให้สภาพสภาพธรรมะอันนั้นมันปรากฏแต่ก็รู้จักไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้หลวงพ่อจึงชี้เห็นว่าบางครั้งมันก็ยังจําเป็นที่จะต้องรับฟังธรรมะโดยเฉพาะธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะธรรมเนี่ยควรจะต้อง ได้ยินได้ฟังก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นความไม่รู้ใช่ไหมเป็นอวิชชาเออแล้วก็ฟังไปเรื่อยไปแล้วก็เป็นผู้ฝึกสติเขคือมีสติอยู่เรื่อยๆจะเดินจะนั่งจะนอนคืออ<ต><ต>สสารวัธรรมที่รู้จักแล้วเนี่ยเอาตรงนั้นนะเป็นเป็นฐานที่ตั้งไว้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่รู้จักแล้วเพราะเวลามันหลงอะไรต่างๆ ต, ต้องกลับมาที่สภาวธรรมที่รู้จักแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะคิดหาคิดหลงไปจนกระทั่งว่าไม่รู้สภาวธรรมที่กําลังปรากฏที่รู้จักแล้วอ่ะตรงนั้นถึงเรียกว่ากลับมากลับมาอ่ะทีนี้พอพอรู้จักนะรู้จักสภาวธ ร, รรมที่กําลังปรากฏที่เป็นสิ่งถูกรู้แล้วนะต่อมาเนี่ยมันจะต้องพัฒนาอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้สภาวธรรมที่เป็นเป็นผู้รู้เนี่ยที่เรียวกว่าเป็นจิตรู้นะตรงเนี้ยมันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้เพราะมันเป็นผู้รู้ไง มันเป็นผู้รู้ก็ไปรู้สิ่งถูกรู้เลยรู้จักแต่สิ่งถูกรู้พอรู้จักสิ่งถูกรู้แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราอะเรารู้แล้วว่าสิ่งถูกรู้เนี่ยทั้งหมดที่เคยรู้จักมาเนี่ยเป็นของที่ปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไปนะที่เรียกว่าเกิดดับรู้จักแล้วรู้จักแล้วรวมถึงรู้จักว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเห็นไหอันเนี้ยก็โอเคถูกต้องแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อมาก็คือต้องย้อน หลวงพ่อใช้ภาษาสมมุติเรียกว่าคําว่าย้อนย้อนเข้าหาผู้รู้ว่าสภาวธรรมที่มันเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยใครเป็นคนรู้แต่ถ้าโดยภาคอริยััจเขาบอกว่าจิตเป็นผู้รู้แต่เอาจริงเอาจังอ่ะมันไม่เป็นจิตสิมันเป็นเราไงทําไมเป็นเราอ่ะเพราะว่ามันยังไม่รู้จักจิตมันยังไม่รู้จักจิตก็เลยหลงไปยึดจิตคือหลงไปเป็นผู้รู้ว่าเรารู้แล้ว เรารู้แล้วว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรารู้แล้วแต่ถ้ามีการมีผู้บอกมีผู้ชี้แนะบอกว่าย้อนกลับมาที่ผู้รู้ที่ว่าใครเป็นคนรู้เรื่องสิ่งถูกรู้เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลายคนก็จะบอกว่าเราเป็นคนรู้หลายคนไม่อ่ะบอกว่าจิตเป็นผู้รู้ปัญญาเป็นผู้รู้โอ้ยอันนั้นนะก็เท่ากับว่ามีตัวเราอยู่ตัวหนึ่งแต่ไปรู้ว่า ตัวสติตัวปัญญาไปรู้สิ่งเกิดดับเห็นไหมมีตัวเราเนี่ยไปโบยให้กับว่าไอ้ตัวนูวนะ้นเป็นตัวรู้แต่แท้จริ ง, ง่ก็ยังมีเราเป็นผู้รู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ภาษาสมมติบัญญัตินาว่าเวลารู้อะไรใครเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นคนที่จะผ่านตรงนี้ได้จะต้องรู้กัตัวเราที่เป็นผู้รู้เสียก่อนว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นเราเป็นคนเข้าใจ ต้องรู้จักตัวเราตรงนี้ก่อนถ้าไม่รู้จักตัวเราเนี่ยมันทาลายผู้รู้ไม่ได้รู้จักแล้วแล้วเป็นยังไงเมื่อรู้จักตัวเราแล้วก็จะพบว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงและพิสูจน์การความรู้ของเราไม่เที่ยงว่ายังไงพิสูจน์ง่ายๆเช่นเวลาหลับตัวรู้ก็หลับแล้วไม่มีแล้วเราก็ไม่มีความเป็นเราก็ไม่มีมันหลับ แสดงว่าเราที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่รู้จริงแต่เป็นรู้ที่อยู่ภายใต้กฎไม่เที่ยงเหมือนกันก็คือเกิดแก่เจิดตายเหมือนกันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเราเนะมื่อพบตัวเราเมื่อรู้ว่าเมื่อรู้ตัวเราเสร็จแล้วก็จะพบว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันก็เป็นแค่สังขารเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งเกิดดักอ่ะอันนี้ถ้าเกับว่าพบตัวเราแล้วก็จะพบว่าอ๋อแท้จริงตัวเราก็เป็นแค่สังขาร น, นั่นเองนะแล้วมีข้อ ที่จะพิจารณาอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยเวลามันรู้อะไรนะมันไม่ใช่ว่ารู้แบบเงียบเงียบนะมันรู้อะไรแล้วเนี่ยก็เอามาพูดเอามาเล่าเอามาบอกคนนัานคนนี้เอามาพูดอามาอะไรเงี้ยให้พึงให้พึงเห็นจะกจักไปเลยว่าอันรู้ไอ้ที่รู้อันใดรู้แล้วเอามาพูดเอามาเล่าเอามาบอกอันเนี้ยก็เป็นรู้ที่ไม่จริงเป็นรู้ปลอมเป็นสังขารเกิดดับเหมือนกัน เห็นไหมเมื่อรู้อย่างเนี้ยมันก็จะทําลายความเป็นอัตตาเสียได้ก็คือคือถ้าไม่เห็นนักถ้าไม่รู้ตัวเรามันก็เป็นอัตตาแต่ถ้ารู้ตัวเราเห็นตัวเราก็จะพบว่าโถ่มันก็เป็นสังขารสังขารก็คือสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็เป็นสภาพธรรมะเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอย่างเนี้ยก็พบเลยว่าทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งหมดที่เคยรู้มาก่อนหน้านี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมถึง ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันก็เป็นแค่เพียงสังขารมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันตรงนี้ก็เลยจบเลยจบเลยตรงที่ว่าสิ่งถูกรู้และผู้รู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดทั้งสิน้นไม่มีเราอยู่จริงนะไม่มีเราในสิ่งถูกรู้ไม่มีเราที่เป็นผู้รู้หมดแล้วความเป็นเราหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วอ่าแล้วก็มีหมดแล้วก็คื อ, คอก็จบ มันเหลืออยู่อย่างเดียวที่เป็นธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแหละไอ้ธรรมชาติอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่อยู่ภายใต้ของกฎอนิจจังทุกขังนะแล้วก็มันไม่ใช่เราธรรมชาติอันนั้นแหละธรรมชาติที่รู้เราอะเป็นเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีการคือเข้าถึงความบริสุทธิ์เลยก็เรียกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์หรือว่าเป็นธาตุรู้ เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นจิตเดิมแท้เป็นอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะเพราะนั้นเมื่อพบธาตุรู้เมื่อเข้าใจธาตุรู้แล้วก็ให้พึงย้อนมาอีกว่าใครเป็นรู้ใครเป็นผู้รู้จกักธาตุรู้ปรากฏ ว, ว่าเอา้าเป็นเราอีกแล้วเป็นผู้รู้จักธาตุรู้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำลายไอ้ผู้ที่รู้ไอ้ผู้ที่รู้ไปรู้ธาตุรู้ว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวปลอมเหมือนกันนเอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพบตัวปลอมเมื่อพบผู้รู้ทุกครั้งไปก็ทําลายคือทําลายความเห็นผิดว่ามันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันเป็นแค่สังขารเกิดดับเหมือนกันสุดท้ายมันก็หมดแล้วถ้ามันหลงอีกว่าเราเป็นผู้รู้แล้วว่าอะไรที่มันรู้จริงถ้าเราเป็นผู้รู้อันนี้ก็อ่ารู้ทันอีกแล้วก็มีปัญญาเข้าใจถูกว่าเออไอผู้รู้ที่รู้ทันเนี่ยมันก็เป็นสังขารอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยก็ ให้ตัวตัวผู้รู้ที่มีการเกิดเป็นขณะเป็นขณะนะที่มีลักษณะมีพฤติกรรมเป็นเราเป็นเราอะ่ะให้รู้เท่าทันตรงเนี้ยถ้ารู้เท่าทันตรงเนี้เขาเรียกว่าเป็นวิชานะเป็นวิชาคือไม่เป็นวิช า, นวชาก็คือในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเมื่อมีเมื่อมีวิชาใช่ไหมสิ่งที่ตามมาก็จะไม่เกิดคือความหลงอะ่ะหลงผิดหลงอะไรต่างๆไม่มีไม่มีพบไม่มีชาติเลยก็จบกันอะตรงนี้ก็หลวงพ่อก็ลําดับมาให้ฟังนะ บางทีมันก็ข้ามอย่างเร็วคือมันก็ไม่มีรายละเอียดมากแต่ให้โยมไปพิจารณาต่อยอดด้วยเป็นตนเองอะต้องใช้คำว่าตัวเองตนเองต้องใช้คำสมมุติเพราะบางครั้งหลวงพ่อไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องเราฟังแล้วจะต้องไปพิจารณาแล้วก็ไปไปสังเกตไปอะไรเงี่ยนะแล้วก็จะเข้าใจเองอย้อนกลับมาที่ของโยมโยมนอนนิดหนึ่ง ที่หลวงพ่อบอกว่าอลองไปทําการบ้านกันหรือโยมอนนเองก็เข้าใจว่า อ, อหลวงพ่อสั่งให้ไปทําการบ้านให้ไปทําเพื่ออะไรก็เพ <ingt> ื่อที่จะได้เห็นว่ายังมีตัวเราเป็นผู้ทําการบ้านนะแต่ถ้าไปทําการบ้านแต่ไม่รู้ว่ามีตัวตนมีตัวเราเป็นผู้ทําการบ้านก็นกทําอยู่นั่นแหละการบ้านพอสั่งทุกทีก็อเอาตัวเราไปทําทุกทีอย่างเนี้ยทําให้ตายก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่ไปทําการบ้านน่ะ มันจริงๆมันคือความนึกคิดปุงแต่งแต่มองไม่เห็นแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่ว่าเอ้าไอ้ผู้ที่มาทําการบ้านนี่โธ่จริงๆมันก็เป็นแค่ความคิดความนึกเป็นความปุงแต่งเป็นสังขารมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้ที่ไปทํานั่นไอ้ไปสังเกตนั่นไปดูนั่นดูนี่เนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันก็เป็นความปุงแต่งของสังขารที่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้คิดผู้พิจารณาผู้โยนิโสมนสิการ มันเป็นสังขารทั้งหมดเลยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นอ่างโยมจับตรงนี้ได้นะที่บอกว่าให้ไปทําการบ้านทําการบ้านถ้าเกิดระลึกได้ขึ้นมาว่าออ้ยมันไม่มีเราเป็นผู้ทําการบ้านนี่ตรงนี้ทําไม่รู้นะมันนึกว่าเราเป็นผู้ทําการบ้านจริงๆแต่พอมีสติปัญญาปั๊บมันจะนีโ่โอสังขารทั้งนั้นเลยตัวเราไม่มีไม่มีเราเนี่ยเพราะงั้นถ้าทําการบ้านบ่อยๆมันก็จะเห็นตัวเราบ่อยๆไงอเพราะนั้นก็แต่หลวงพ่อชี้เฉลยให้แล้ว การบอกแล้วงั้นเมื่อเกิดมันหลงผิดไปเดี๋ยวมันก็จะมีสติปัญญาระลึกได้แล้วก็ทําให้รู้แจง้งรู้จริงขึ้นมาว่าที่แท้ไม่มีใครเป็นทําการบ้านมีแต่สังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าไม่ว่าในส่วนกายไม่ว่าในส่วนจิตเป็นสังขารทั้งหมดเลยไม่มีเรา อ, อ่าเนี้ยมันก็จบด้วยประการชนนี้สาธุครับนักก <c oughs> ารสอนพระอัตถ์ เป็นนหมยหวัดอ๋อเชิญคุณอนน์เลยค่ะหลพ่อครับขอขอบคุณหลงพ่อครับนัเข้าผมก็เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกครับจะมีรู้บ้างเจอบ้างรู้บ้างเจอบ้างแล้วเจ๊เจ๊ผมเจ๊จูนะตอนมีความรู้สึกว่าเนี่ยผมตจ๊จูเนี่ยเนี่ยอยะผมเจู๊นะเข้าใหมคจก็คือว่าอันนี้ตูภาษาผมเองนะครับคาว่ารู้จุดตัวเนี่ยที่หลวงพ่อบอกมาเที่ยผมรู้ึงมากครับ ถ้าไมรู้สึกตัวเนี่ยอุปมาผมจับด้ามมีดครับมันตึกไปงั้นนะฮะเตอือเตือนพ่อบอกพี่ตึกแล้วต่อนเราก็เราก็เราก็โง่เหมือนเอาเอาสึ่งที่พี่ตึกแล้วเอาเทสไปคันอีกตอนมีเราเหมือนเอาไปทําบ้านนี้มาาันหนาีกพอหลวงพ่อพูดนี่ผมเซ็ตละหลวงพ่อผมเผมข้าใจแล้วก็มันเหมือนกับว่าหลวงพ่อให้ผมันบ้านผมแบบ อ, อาเปิลตุขุมะพร้านะแล้วไปคันมะพร้ากันะะนะเอากระติบามา ผมก็ไปคันไปอยู่แต่เลยครับน้ำแต่แยกน้ำแย้คันอะไกลก็มีมี เ, ม เ, มเราไปทําอยู่สุดท้ายพอสติมาลึกมาได้มันก็เหมือนกับตายเป็นออกมาจากไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่มะพร้าวเลยกดคันมะพร้าวแล้วก็แยกออกมาซึ่งตรงนี้ครับค่มาผมเข้าใจเลย ว, ว่ามันอึดมัดมา ก, มากแล้วเห็นสภาวะที่มันแต่จะพูดยิ่งยากที่บ้านเนี่ยเด็ก ส, สาวบอกว่าต่อต่อไ ม, ม่เหมือนเดิมบอกพอต่อแล้ก็ไปพูดชะกันแลวก็อื้อ ก็อสบายิจโรคแค่นั่นแหละเออลูกสาวก็าตรอกพ่อหรือว่าพ่อสาระเหมือนเติมดีกว่านะพอพูดแบบีวิตประตูนะผมอะไรแล้วก็มีสาใจในใจมันเกิดการเนเห็นอยากจะพูดอาอันเนพูดไมละแต่ไม่ได้เออพูดทาน้ำไม่มีความ้ากับนะคึงก็บอกว่าอืมชอบไม่ทาไมตัวบอกอ้าก็ตอนที่พ่อพูดถึงเธอว่าพ่อเพื่อพี่ั้งเพื่อมากอะไรบอะไรไปเรแล้วพ่อหยุดเธอาก้่อพูดแล้ว ไม่ไม่ไม่มานั้นก็เกิดขาดรายยาครับก็เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีสิ่งแล้วที่มาทํางานเนี่ยฮะเดียพ่อครับอยู่ที่บ้านจะง่ายแต่เพราะว่ามันจะบังกาพอจะจับหลับว่วันนี้พูดประมาณรไปกี่เท่าไหร่เท่าไหร่พอจะนับได้แต่มาที่ทํางานเนี่ยโอ้โหรุดเลยเพราะว่าที่เจอเพื่อนบ้างหัวหน้างานบ้างคือเราเนี่ยมีต้องการเนี่ยต้องใเลยรือวิมินยากมากยากมากครับแล้วก็จะเห็นหอย่างว่าสิ่งที่ที่ยากที่สุดคือความการเป็นอัตราตัวตนเนี่ยฮะ ถ้ะทุ่๊กเข้าใจแลวอธิบายก็จะมีอัดตาอยู่ซึ่งหวพ่อบอกว่าให้ให้รู้ไปอย่างเนี้ยให้รู้ไปอย่างเนี้ยเนี้ยนี้ยเงี้ยผมว่าตี่ตายหลวอพ่อแล้วเออเมเมรู้ว่าตัวเองจูแต่ติดใครรู้เนี่ยจะติดคำได้ว่าก็อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราภาษาลวัดเนี่ยเราเกิดมาที่พุทธเจ้าบอกว่าน้าตาเนี่ยมันมากก่หากะดุกะดุเราถ็ผมไม่ตงไหลไม่รู้จัดอยู่ที่บนภเขาอีกครับ เราคิดว่านักภาษาอะไรคนเราที่ภาษาสงงนิทเนี่ยจะจูบจะให้มันใช้เวลาบุกข้าไปสักทีเราไม่ได้ต้องอาศัยเวล า, ลวลาก็ขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาผมก็พะช้างกคุยกัที่จอมเนาะเขาส่งจนาธรรมที่จอมมาเอากูแต่ว่าก็าจะลดปัดตัวแต่การคุยสิ่งที่นี่ที่มันบางทีหลวงพ่อพู้ถูกเพราะว่ า, าการที่คุยที่เราพูดไปมากๆมันติดบางสภาวธรรมอย่างนี้จริงนะ ค, ะครับสุดตาเลยเพราะนั้นการการพูดน้อย ที่ท่านจะเป็นก็เห็นดวงตาเตนผมดวงตาสเตนท่ามีตัวอย่างจริงว่าผมก็เห็นแล้วถ้าบายท่านถึงนี้องว่างสะอาดเพาท่านมีอะไรเปเกี่ื้อคนเพิ่มคาดผิดนั้นเพราะนั้นเราก็มีชุดเก่าอยู่แล้วคือว่าเราก็มีรูปน้ําเหมือนกับทั่วๆไปเหือกับบุคคลทนกตอนนี้ท่านแก็วเป็นอยู่ที่ว่าเราความเข้าใจถูกมีหลวงต่อก็เหมือนกับนะฮะการยันที่พครับ ท, ที่ว่าเวลาเกิดดุไปก็ อย่างผมดูวไม่กินหญ้ากินไหนตอนดุจใสหลวง่อก็เมตากระตุกกระตกเท่าอยู่ในล่องในรอยก็ขอขอบคุณกล่าวหล่อเลยครับผมก็จะบัดต่อไปที่นี้ผมรู้อะไรผมจะไม่เล่าครับผลจะเลือกพี่พเดียวครับขอขอบคุณการหลว ง, งพ่อครับแล้วก็วางตัวผมตอนนี้ด้นะสาธุนะคะจริงๆก็บ อ, อกว่าจริงๆเจายังเป็นปุจุชนธรรมดานะคะ คนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่พวกเขาก็จะยังมองไปยังสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเนะะี่ยค่ะก็ยังหลุกับสังขาร น, นะคะทีเนี้ยอย่างพวกเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยค่ะบางคนก็มัวแต่เฝ้าพระอง์แต่รักษาจิตนะคะทีเนี้ยถ้าเราเราเข้าใจตรงเนี้ยแต่ผู้ที่แจ้งอะ่ะต่อสัจจะเนี่ยมันจะไม่ต้องใส่ใจทั้งทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คืออยู่กับ นี่ค่ะความปา่าสจักความความธรรมชาติของมันเนี่ยค่ะปกติธรรมดานะคะก็ใบเรื่องราวนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่กับส ม, มุติโลกไปนะคะใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปนะคะไม่ต้องไปแบบเหมือนกับบางคนว่าเอ๊อยู่ไปถ้าเราไม่มีความหวังนะคะ ม, มีคนถามมาแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะคะหรืออย่างเมื่อวานเ น, นี่ยยกตัวอย่างเรื่องนกนะคะ นกเนี่ยก็มาเกาะกิ่งไม้นะเราไม่ได้เรียกร้องอยากจะให้นกมันมาเกาะเราแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะที่จะให้นกจากไปจากเราเราก็เป็นแค่กิ่งไม้ธรรมดานะคะถ้าเปรียบก็คงจะเปรียบเหมือนกับท้องฟ้าอะไรก็ได้ค่ะในธรรมชาตินี่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้คุณนอนนุพูดถึงว่าเอ๊ะลูกสาวบอกว่าทำไมพ่อไม่กลับมาเหมือนเดิมค่ะ เราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะคุณ น, นนท์นะคะแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็ไม่ได้หลงไปกับมันนะคะถ้ายิ่งเราไปเหมือนกับว่าเราจะไม่ทํำนู้นเราจะไม่ทําอันนี้มันกลายเป็นว่าเราไปตั้งตั้งความความเหมือนกําแพงหรือว่าอะไรไปอะไรแบบเนี้ขึ้นค่ะมันก็จะไม่อิสระเพราะฉะนั้นก็อยู่กับมันธรรมดาเนี่ยค่ะใช้ชีวิตอย่างเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมในโลกใบนี้ยได้ยังไงแค่นั้นเอง นะคะค่ะก็สาธุด้วยนะคะก็วสวัสดีผู้เข้ามาใหม่ด้วยนะคะออดไลนสทุกท่านเลยนะคะคุณบอยนะคะคุณจอห์นนี่นะคะคุณมนนะคะวันนี้เราคุยกันถึงหัวข้อรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบันค่ะก็เรียนเชิญนะค ะ, ะ, คะสามารถที่จะขึ้นมาพูดคุยกันได้นะคะ